การตั้งมั่นในพระรัตนตรัยที่เรียกว่าตับปริยนัสารณาคมทำอย่างใครทำอย่างอารวาคยักษ์อารวาคยักท่านสมาทานมั่นคงว่าข้าพระเจ้านี้จะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมรสการความตรัตรูดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของวัฒรมและการประพฤติปฏิบัติดีของภริยสง์ ถามว่าท่านเห็นอะไรในระรตนตรยัยท่านเห็นว่าระรตนตรัยเนี่ยจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอุปสรรคและพยานอันตรายเป็นต้นได้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ทุกวันนี้เวลาเขาเกิดมีความกลัวความขนพองสยองกล้าวเกิดความสะดุ้งต่อภัยทั้งหลายเขาก็ไปทำประกันตามบริษัทต่างๆ แต่การทำประกันในลักษณะอย่างนั้นเป็นการทำประกันที่ไม่ได้รับความคุ้มครองป้องกันอุปสรรคพยัน์อันตรายอะไรได้เลยไม่สามารถจะทำให้ตนเองพ้นจากชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายไม่สามารถจะทำให้ตนเองพ้นจากความโศวความล่ำลายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจได้เลย เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะคุ้มครองป้องกันพยันอันตรายต่างๆเป็นต้นได้และโดยเฉพาะแม้เจ้าของที่ทําบริษัทประกันภัยเองบุคคลเหล่านั้นก็ยังมีราคาความกําหนัดโทสะความโกรธและโมหะความมืดบอดของจิตอยู่แท้ที่จริงเจ้าของที่ทําเองก็เป็นผู้ที่ยังไม่หมดความกลัวยังไม่หมดความสะดุง้งยังไม่หมดความขนพองสยองเกล้าวแม้เท้าสักกะ ตอนที่สั่งลูกน้องตนเองไปสู้รบกับทา้าวภิกติก็สั่งทหารสั่งลูกน้องของตนเองว่าถ้าพวกเธอเกิดความกลัวเกิดความขนพองสยองกล้ากลัวไม่กล้าไปสู้รบกับกลุ่มศูนทั้งหลายเป็นต้นเธอทั้งหลายจงมองที่ยอดธงของเราเมื่อเธอมองยอดธงของเราแล้วเนี่ยเธอก็จะหมดความกลัวความขนพองสยองกล้าวเป็นต้น แต่พระบระมศ า, าสดาก็ตรัสบอกว่าดูก่อนพิกษูตทั้งหลายดูก่อนพิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายแม้บุคคลจะมองยอดธงรองเท้าสกะอย่างไรบางท่านก็อาจจะหายบ้างบางท่านก็อาจจะไม่หายบ้างเพราะอะไรเพราะว่าผู้เป็นเจ้าของธงเองคือเท้าสกะนั้นยังไม่สามารถท่านผู้เป็นเจ้าของ ท่านผู้เป็นเจ้าของธงเองเนี่ยยังมีความกลัวอยู่เลยท่านผู้เป็นเจ้าของธงเองยังมีความหวาดสสด้งยังมีความมีอาการขนพองสยองกล้าวมาเจอภัยฉะนั้นเมื่อคนที่เป็นเจ้าของธงยังไม่หมดจากราคาโทสะมโมหะทางใจยังไม่หมดบาปปุสโสราธรรมลาโมกในใจแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะหายได้บ้างไม่หายได้บ้างเมื่อไประลึกถึง แต่การระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นไม่เกษมไม่สามารถจะช่วยคุ้มครองป้องกันพญายนาจตรายได้เลยแต่ท่านผู้ใดระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ไกลจตกิเลสตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชาและเจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้และรู้แจ้งโรค เป็นสารถีปึกบุรุษที่สมควรปรึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรมสั่งสอนสัตว์เป็นผู้แสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะโดยบริบูรณ์สิ้นเชิงครบถ้วนพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความบริบูรณ์สุด แม้ระล็กถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นกระแสจิตของท่านผู้ใดที่กำลังแนบสนิทในคุณของพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวตัวศรัทธานั่นแหละกุศลทั้งหลายนั่นแหละที่เกิดขึ้นอย่างมั่นคงแล้วไปสัมผัสคุณของพระาศาสดาซึ่งมีอยู่จริงนะต้องวงเล็บด้วยนะว่าพระเจ้ามีคุณอย่างนั้นจริงๆ จับทินซีคือความเชื่อมั่นหรือตัวฉันท่าที่มีความพอใจอย่างแรงกล้าในความรักรักพ ร, รกตนตรัยอย่างแรงกล้ารักขนาดไหนรักขนาดที่พระเจ้ามหากะพินามีความรักในพระรัตนาตรัยรักในพุทธเจ้าเมื่อได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกพอได้ยินคําว่าพุทโธพุทโธเนี่ยด้วยอัธยาศัยที่ตนเองตั้งไว้อย่างยาวไกลในสังสารวัฏเนี่ย แรงของฉันทะที่มีการปลกเร้าขึ้นมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาศัยพุทธคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งตนเองโหยหามานานด้วยความรักด้วยความบูชาอย่างยิ่งเป็นกำลังในกระแสจิตใจพระเจ้ามหากรรนะฯก็โลดแล่นในพุทธคุณเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลากิเลยแลวก็เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเห็นราชบั ล, ลังประดุดดังก้อนเขละ ถามลองคิดดูทีว่าก้อนเสเลตที่ปลายลิ้นกับราชบัลลังก์มันต่างกันตรงไหนทําไมมองเพนเพนภรรยาของพระมเหสีเป็นประดุดดังก้อนเสเลตทําไมมองสนางสนมกำนันประดุดดังก้อนเสเลตทําไมมองราชบริพารท้องประชาชนทั้งประเทศเป็นก้อนเสเลตได้พร้อมที่จะทายทิ้งทำทีจิตนั้นไม่ไม่หวนหาเลยไม่อะไรอวอนเลยเพราะอะไร พอเข้าใจความจริงของชีวิตถามว่าทุกกระแสชีวิตมีอะไรก็มีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นและสิ่งที่ลึกลงไปในนั้นก็มีดีมีเลจมีหนองมีเลือดมีเหงื่อมีมันค้นใช่ไหมฉะนั้นเมื่อกระแสชีวิตมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเต็มที่ตั้งของชาติภัยคือความเกิดชลาภัยคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะและความตาย เป็นที่ตั้งของความโศความล่ำาไลําพันท่านเข้าใจทันทีท่านจึงต้องสละไอส้สเลดก้อนนี้ไอ้มหันตภัยก้อนนี้ไอ้ชาติภัยก้อนนี้ทิ้งทันทีเลยใจท่านก็โหยหาน้อมก็หาพระรัตนตรัยเป็นสารณะท่านมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริง mm hmm. เมื่อจิตใจของท่านเหล่านั้นมีศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวฉันท่านเนี่ย หรือศรัทธานี่นะก็ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนว่าพระเจ้าดีจริงๆเห็นพระจริยาคุณซึ่งบันเพนมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรเห็นพระสรีละคุณที่มีความงดงามที่ประดับไปด้วยมหาพุทธสรขนาดสามยี่สองประการและนุพยัญชนะแปะสิบเห็นพระพุทธคุณมีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นงั้นพอร ะ, ะลึกถึงปุ๊บจิตใจก็แนบสนิทในคุณของพระรัตนตรยัยไม่หวั่นไหว สมาธิก็ตั้งมัน่นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนมหานามะอริยาสาวกในขณะใดเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นเมื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอยู่มีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นจิตของท่านผู้นั้นก็จะไม่ถูกราคะคือความกำหนัดกุ้มรุมก็จะไม่ถูกโทสะคือความโกรธใ น, นกุ้มรุม ก็ไม่ถูกโมหะคือความมืดบอดของจิตนั้นก้มรุมจิตของอริยาสาวกเหล่านั้นก็ผ่องใสและไปตรงตรงในที่นั้นก็คือตรงตูวกระแสของมชิมาปฏิปทาไม่โอนเข้าไปหาความกำหนัดยินดีเพื่อเพลินหรือไม่เอียงเข้าไปหาโทมานัสความกโกรธความเครียดความวิตกกังวลจิตของอริยาสาวกนั้นก็ไปตรงประดุดดังกระสวยที่ไปตรงตรงต่อพณิพาน พระมหากปพินาศ น, น่ะจิตท่านมั่นคงท่านก็สละราชบัลลังก์แล้วก็ไม่อะไรกายและชีวิตแล้วก็ชักม้าบอกกับอมาาบอกว่าท่านทั้งหลายเราสละราชบัลลังก์เขียนสารมอบราชบัลลังก์ให้พระมาเหสีท่านทั้งหลายจงถือสารนี้ไปบอกพระมาเหสีว่าเราไม่ปรารถนาราชบัลลังก์แล้วเราปรารถนาจะไปเฝ้าพระพมีพระภ่าเจ้าแม้ประทับอยู่นแดนไกลเห็นไหม คำว่าข้าเจ้าจะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเนี่ยเพื่อนมัสการความตรู้ดีของพระเจ้าความเป็นธรรมดีของเมตธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของเบรียสง์จิตแนบสนิทอะไรทําเป็นปัจจัยทําให้จิตตั้งมั่นขนาดนั้นสองส่วนนะหนึ่งความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการได้ปัญญาเลยเกิดความรู้ความเข้าใจว่า ถ้าผู้มีประภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของยากการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราก็เป็นของที่ยากการได้เข้าเฝ้าเป็นของที่ยากการฟังวาทธรรมเป็นของยากการจะแทงตลอดในคําสอนของพุทธิย่าก็เป็นเรื่องที่ยากโอกาสนี้โอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะทําได้เป็นต้นท่านก็มุ่งมัน่นแล้วก็สละทิ้งเลยสังเกตดูนะเมื่อเช้าพูดว่าถ้าฉันท่มีกําลัง ตัวสัพทินีมีกำลังจะสามารถขจัดอุปสรรคภายในคือกิเลสที่กุ้มรุมได้ให้สังเกตดูสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลนะถ้าจิตใจเรายังวิตกกังวลยังวิตกกังวลอยู่นะยังมัวยินดียังมัวเพลิดเพลินยังมัวมัวเมาและลุ่มหลงอยู่นั้นบงบอกว่าสภาพฉันทะหรือความ ปราถนาอย่างแรงกล้านั้นอ่อนแอไม่มีกำลังเพราะยังถูกกิเลสภายในใจกระชากกลับอยู่เรื่อยเลยกุ้มลมอยู่เรื่อยเลยแต่ถ้าสามารถชนะความคิดไปต่ำทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้แล้วสามารถกระตุ้นเตือนจิตของตนเองนี่นะปลุกเร้าฉันทะจนสมาธิตั้งมั่นและในขณะเดียวกันความเพียรที่เป็นตัวองเสริมเป็นตัวเสริมก็ประคับประคองทาให้ความ เพียงพยายามนั้นพิญโยไทยบูลภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปก็สามารถทําให้สภาพจิตของตนเองนั้นหลุดออกจากปัญหาในขณะนั้นได้แม้ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งสามารถหลุดออกจากความวิตกกังวลเป็นต้นได้สภาพจิตใจกลับไปลึกตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยมีความรักอย่างแรงกล้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ไม่อะไรากายไม่อะไราชีวิตพร้อมที่จะมอบจิตของตอนเองนั้นเน่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงถามทําไมต้งเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปในเรื่องความงมงายด้วยนะเพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัยออกจากกลุ่มตันหาออกจากกลุ่มการยึดติดออกจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นใน ปัจจะยามิตรอามิตรคือปัจจสี่ออกจากที่อยู่อาศัยออกจากเครื่องนึ่งห่มออกจากยาออกจากอาหารออกจากโลกามิตรอามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงออกจากไม่สนใจวัตตามิตรในภพภูมิที่ดีๆ้วจิตก็น้อมในการที่จะเชื่อมั่นในพร a t h n a ไตรไม่หวั่นไหว ลักษณะอย่างนี้เนี่เขาเรียกว่ากลุ่มศรัทธาและกลุ่มชนทาทั้งหลายมีกําลังสภาพที่ศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระดับภาวนาเนี่ยท่างเกตดูนะว่าถ้าศรัทธาสรินิสัยถ้ายังอ่อนแออยู่ะยังอ่อนแออยู่ยังถูกพวกกิเลสกุ้มรุมอยู่ไม่สามารถลุกออกจากกิเลสได้แล้วไปตั้งมั่นได้ อย่างนี้เขาเรียกว่าปกติคนทั่วไปเขาก็มีนะคนทั่วไปเขาก็มีสภาพจิตใจที่ปกติและมีศรัทธาเนะมีใครมาชวนสร้างสละการบระเรียนก็สร้างสร้างโบสถ์วิหารก็สร้างไปทำบุญที่นู่นที่นี่นก็มีปกตินี่แหละแต่ศรัทธาประเภทนี้ต้องต่อยอดต้องต่อยอดต้องกระตุ้นให้มากขึ้น ถามว่าเมื่อมีศรัทธามากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเออเราจะได้อะไรสิ่งที่ได้เมื่อศรัทธาตั้งมั่นได้มากขึ้นก็คือสมาธิที่มั่นคงแล้วถามว่าเมื่อสมาธิที่มั่นคงเกิดขึ้นมาแล้วจะได้อะไรต่อก็จะได้ความเข้าใจเพราะมันมีสถ้าเหมือนกับสนามอ่ะตอนนี้ปัญญาไม่สามารถมาสอบสวนมาฝึกได้หรือมาวิ่งเล่นในใจได้เพราะ ไม่มีสนามสนามไม่มีที่ให้ปัญญาเข้ามาโลดแล่นแล้วมาวิ่งเลยเพราะจิตอ่อนแอฉะนั้นสภาพจิตที่อ่อนแอเนี่ยสภาพปัญญามันเกิดได้ไม่จริงมันมาปับมันก็ตกดับมันก็ต ก, ก, ตกเพราะมันไม่เหมือนเเหมือนไม่มีสนามที่จะเดินเนี่ยสมาธิเหมือนกับสนามเหมือนกับสนามปัญญาที่จะสามารถมาสอดส่องเพื่อจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้ต้องอาศัยฐานของสมาธินั่นแหละ เป็นที่โลดแล่นดงั้นตรงนี้เมื่อเชื่อมั่นในพระรธถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะได้อย่างไรเป็นเครื่องกําจัดภัยได้อย่างไรออกสารณะคือพุทธะเป็นสารณะเพราะว่าช่วยยังสัตว์ทั้งหลายให้กลับหรือออกจากบาปอากุศแลแธรรมลามกหรือออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกลูลกลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกลูลเช่น จิตที่คิดเบียดเบียนอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลกับกระแสชีวิตเราเลยจิตที่คิดจะฆ่าไม่ได้เป็นประโยชน์เกื่อกูลเลยจิตที่คิดจะรักทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลเลยจิตที่คิดจะประพฤติผิดในการมจิตที่คิดจะพูดเท็จจิตที่คิดจะพูดส่อเสียดทำอย่าเพ้อเจ้อจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่มัวเมาลุ่มหลงจิตที่มีมายาจิตที่มีความโอ้อวด สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เกื้อกูลนะไอความคิดเบื้องต้นอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็พุทธะเราอัดว่าให้สัตว์ทั้งหลายกลับหมุนกลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าจะคิดเบียดเบียนพุทธเจ้าบอกว่าชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้เบียดเบียนในข้อนี้เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนออกมาหรือยังพุทธะช่วยหรือยังเห็นั้มพุทธะเนี่ยดึง ดึงจิตที่หมกมุ่นในบาปอากุศลธรรมลามกให้ถอยกลับให้ออกจากบาปอากุศลธรรมลามกมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมที่ขาวสดใสนี่ไงพุทธะเป็นส ร, รณะเพราะกำจัดภัยทำไมถึงกำจัดภัยเพราะเราไปคิดให้คนอื่นมิบัตรกระแสะความคิดที่เป็นไปกับบาปอากุศลธรรมลามกนั้นเน่ะมันจะเบียดเบียนกระแสะชีวิตท่านทั้งหลายให้เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในการต่อไป แต่ถ้าหันกลับไปคิดเพื่อให้คนอื่นมีความสุขมีความเจริญพ้นจากความทุกข์จงมีอายุยืนจงเป็นผู้มั่งมีจงเป็นผู้มีความบริบูรณ์ในญาติมิตรอย่าแตกแยกกับญาติมิตรกับบุตรภรรยาจงเป็นผู้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามที่เลือดที่ประเสรศิฐความคิดในการที่ออกจากบาปอคุโสรธรรมารามกเนี่ยคือพระพุทธเจ้านั่นแหละช่วย นี่ไงคําว่าพุทธานเนี่ยกำจัดภัยเพาะให้เราพุทธบริษัทหรือเรานี่แหละออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถามเมื่อเราคิดเบียดเบียนคนอื่นตอนนั้นจิตเราประกอบด้วยประโยชน์หรือประกอบด้วยโทษเราคิดฆ่าสัตว์จิตประกอบด้วยประโยชน์หรือประกอบด้วยโทษเห็นไหมฉะนั้นการคิดไม่เบียดเบียนก็คือการคิดที่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย มีความรักความปรารถนาดีในสัตว์ทั้งหลายคิดค่าอันนี้แปลว่าคิดที่ประกอบด้วยโทษคิดเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาทอนแบบจับจีบจับใจนี่นะน้องไม่สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเถิดความคิดรักอันนี้ก็คิดประกอบด้ประโยชน์ใครเป็นผู้ทําให้เราพ้นภยัยพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็ถือว่าไม่เชื่อมั่นในพระธรรม เมื่อไม่เชื่อมั่นในพระธรรมก็ชื่อว่าไม่สามารถจะปฏิบัติขัดเกล้าตนเองเพื่อเป็นหนึ่งในอริยสงฆนะ์ได้ก็ไม่สามารถจะเป็นหนึ่งในละสระารณคมได้เนะอะจะพ้นทุกข์อย่างไรถามว่าถ้าเชื่อมั่นเพียงแค่นี้พอไหมลองสังเกตที่ผ่านมาถ้าเราเชื่อมั่นแค่นี้พอไหมเช่นเรายังมีความคิดที่มีเงื่อนไขต่อการฆ่าสัตว์เช่นเราไม่คิดเบียดเบียนใครนะแต่ถ้าใครมาเบียดเบียนเราเราจะโกรธคนนั้น เราไม่คิดจะฆ่าใครนะแต่ถ้าใครมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะต้องโกรธเราจะต้องประท้วสลายคนนั้นถามว่าความคิดในลักษณะอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพะไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยไม่เป็นสาระไม่เป็นเครื่องกำจัดภัยให้กับเราได้แล้วที่สุดจริงเนี่ยเราก็ต้องประสบธาคือความเกิดชรลาคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้ม ร, รณะคือความตาย ฉะนั้นความตั้งจิตให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าจริงเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเชื่อมั่นแล้วเนี่ยใจก็น้อมที่จะปฏิบัติตามพุทธโอวาทอันี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าธรรมะเนี่ยเป็นสารณะเพราะกําจัดภยัยกําจัดความกลัวกําจัดความสะดุง้งถามว่าเมื่อเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าประทานกุศลศีลให้ท่านผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลท่านผู้นั้นจะ นภไยในใบยภูใช่ไหมถ้าสมาทานกุศลศีลและทํากุศลศีลให้เกิดได้จริงนะไม่ใช่ศีลที่เป็นรูปแบบนะไม่ใช่รักษาศีลที่เป็นรูปแบบแต่รักษาศีลเพราะศีล น, นั้นเป็นเนื้อตัวของตนเองได้จริงๆรําว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของตนเองได้จริงๆคือสภาพของศีลเกิดที่ใจแล้วมีจิตที่คิดงดเว้นจากการฆ่าจริงๆ แล้วเห็นกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็สมาทานอย่างมั่นคงว่าเราเป็นผู้มีสราระคมเราเป็นผู้มีศีลเราได้ตั้งมั่นในการงดเว้นจากชีวิตสัตว์มานานแล้วอย่าว่าจะคิดฆ่าเลยแม้การคิดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตยังไม่เกิดในใจเราเลยพร้อมกันนั้นเรายังมีความคิดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืนปราศจากทุกข์แล้วก็เห็นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายกับชีวิตของเราเนี่ยไม่ต่างกันเลยเราไปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความทุกข์เราก็ไม่ชอบความทุกข์เราไปคิดให้สัตว์ทั้งหลายวิบัติเราก็ไม่ชอบให้ใครมาคิดให้เราวิบัติเพราะเกิดความรักความเอื้ออาทรต่อกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งจักรวาลคำว่าให้ความปลอดภัยแปลว่าตั้งมั่นไว้แล้วอี่ยว่าแต่สัตว์ผู้นี้เลยแม้สัตว์ทั้งจักรวาลที่มีชีวิตเราก็ไม่เคยคิดเบียดเบียนอีกเลยถามว่าคิดยังไงถึงสามารถวางใจได้อย่างนั้นเพราะว่าเรามีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวว่าถ้าคิดเบียดเบียนเขาบาปอากุศลธรรมาลามกเหล่านั้น มันจะมาเบียดเบียนกระแสชีวิตเราไงเพราะเรารักตนเองนั่นแหละเราจึงไม่ยอมคิดเบียดเบียนใครทีนี้สังเกต ด, ดูนะว่าถ้าตัวกุศลศีลมันไม่เกิดจริงเนี่ยมันไปแต่ความคิดแต่สภาพจิตมันไม่ผ่องใสให้สังเกต ด, ดูนะถ้าสภาพของกุศลศีนเอตอตัวก็เหมือนอย่างนี้ว่ายอมสํารวยไปขอศีลจับท่าท่าให้ศีลถามจริงๆแล้วท่าให้ศีลได้ไหม พระเนี่ยไม่สามารถจะไปให้ศีลอยอมสำรวยได้ยอมสำรวยขอศีลแต่พระบอกสิกขาบทสังเกตดูนะพระบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยานีคำว่าสิกขาประทังนั้นก็แปลว่าสิกขาบทพระบอกข้อปฏิบัติบอกว่ายอมสำรวยจงมีเจตนาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเพื่อเดินตามรอยของพระลรหันบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระลรหันตาเจ้าทั้งหลายงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตแม้ฉันใดแม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอสมาทานเดินตามรอยของพระลหันบูชาคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอย่าว่าจะกระทาด้วยกายหรือวาจาเลยแม้จิตใจที่คิดฆ่าก็จะไม่ให้เกิดขึ้นพยายามสมาทานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าลมหายใจจะขาดจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบ จนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบข้าพเจ้าไม่ขอเบียดเบียนชีวิตของสตัตว์ทั้งหลายแม้ด้วยความคิดและขอให้กระแสชีวิตของสตัตว์ทั้งหลายจงตั้งอยู่ยืนยาวจงมีความสุขตลอดกาลและตลอดไปเถิดคิดอย่างนี้ได้จริงไหมถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้นะ แล้วไม่สามารถเอามาเกิดขึ้นได้ามาเจริญขึ้นได้จริงๆ่งให้สังเกต ด, ดูไหมว่าพ้าให้ศีลหรือพักให้ข้อปฏิบัติพักบอกข้อปฏิบัติเมื่อพักบอกข้อปฏิบัติไปแล้วถ้ายอมสำรวยไม่เอาตัวกุศลศีลไปเกิดขึ้นให้เป็นเนื้อเป็นตัวนะเป็นชีวิตจริงแล้วจะมีศีลจริงไหมก็มีได้แต่ราคาพูดไงว่าเรามีศีลแค่ยุงมาจับปุ๊บเนี่ยก็โกรธยุงแล้วใช่ไหมลูก โกรธไหมยุงมาจับนี่โกรธไหมเห็นไหมตรงเนี้ยแค่ว่าเราแค่ยุงตัวเล็กๆมาบินจับแค่นี้เราก็หงุดหงิดกับมันแล้วนีแ่แปลว่าเราไม่เข้าใจคําว่ากระแสชีวิตทุกกระแสชีวิตมีค่ามีค่าเราไม่เข้าใจว่าทุกกระแสชีวิตเนี่ยก็มีค่าเราเป็นสำคัญว่ากระแสชีวิตของมนุษย์นี่มีค่า กระแสของเลือดของยุงของมดของปลวกไม่มีค่าแล้วมันมาเบียดเบียนเราแต่ถ้าถามบอกว่าจัดอยู่ที่ไหนก็ยึดว่าที่ตรงนั้นเป็นของเขาเราอยู่ที่ตรงนี้เราก็ไปออกนโฉนดว่าเป็นที่เราใช่ไหมแม้สัตว์ก็อยู่ที่ตรงนี้เขาก็บอกเป็นที่เขาถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของมันเป็นเรื่องสมมุตินะคือคือตรงเนี้ถ้าเรามองให้ดีเราถือดูเขาดูที่ไหนดูสภาพจิตใจนั่นแหละ ถ้าสภาพของกุศลมันเกิดได้จริงเ่ยสภาพกุศลและศีลเกิดได้จริงมันจะมีจิตที่คิดจะงดเว้นแรงมากและไอความรู้สึกงดเว้นเนี่ยมันจะถอยจะหดกลับจากบาปอกุศลและธรรมะลามกไอความรู้สึกตรงนั้นอ่ะใครสามารถเอามาละลึกได้ไบ่อยๆนั่นแหละคือสภาพของสัมมากระมันตะสัมมากรม ม, ม, กรมันตะพอจิตที่คิดจะบี้หรือจะตบยุงเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย ความรู้สึกละอายชั่วกลัวบาปมันเกิดทันทีละอายชั่วกลัวบาปแล้วมันก็มีจิตที่คิดงดเว้นวบแล้วก็ตัดรอนแล้วก็ละอายชั่วกลัวบาปกระตุ้นเป็นระยะระยะระยะระยะระยะแล้วก็ตัดรอนเป็นระยะระยะไม่น้อมที่จะไปบีบหรือไปประทุ้สล้ายเขาไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกสภาพของกุศลศีลมันตัดตัดบาปอากุศลธรรมมันลาม o เคยเป็นไหมลูกไอ้สภาพตรงนี้แหละไอ้ความรู้สึก พอสภาพที่มันตัดรอนอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเบ็เสร็จปุ๊บและยังมีความการะลุณาในสัตว์ทั้งหลายด้วยและก็มีความรักความปราถ น, น, นาดีในกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายว่าเราเป็นผู้เป็นอุบาสิกาของพระจินเจ้าเราเป็นผู้มดเว้นแกการฆ่าแล้วเราไม่ใช่คนดุร้ายแล้วเราไม่ใช่คนโหดร้ายแล้วเราให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วและไม่ใช่ให้คําว่าให้อภัยเข้าใจไม่คืออะไรหรือไม่ ย้อนทุนรวยรู้ไหมคำว่าให้อภัยคําว่าอาภัยนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมอภัยในที่นั้นก็แปลว่าให้ความปลอดภัยในระหว่างที่อยู่กับใครจะไม่ทําตัวเป็นภัยกับใครและยังไปสร้างความปลอดภัยให้กับคนอื่นด้วยกษัตริย์อื่นด้วยนี่เขาเรียกว่าอาภัยอภัยทานไม่ใช่ไปเขียนไว้แต่ชื่อว่าเขตอภัยทานนะ แต่จิตใจเป็นผู้ที่มากไปด้วยความโกรธหรือว่ามีความคิดเบียดเบียนเนี่ไปให้อภัยทานแก่ปลาอย่างเดียวใช่ไหมแต่สัตว์อื่นมาในาที่นั้นนไม่เคยให้อภัยเขาเลยอันนั้นมันไม่ใช่อภัยะทานคําว่าอภัยเนี่ยก็คือตลอดเวลาเนี่ยทําตนเองไม่เป็นภัยกับใครเลยคือไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยเนี่ยนะไม่เคยไปคิดเบียดเบียนใครไม่เคยไปคิดฆ่าไม่เคยไปคิดลักไม่เคยไป คิดที่จะไปพื้ผิดในการเป็นต้นแก่ใครเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอาภัยให้ความให้ความปลอดภัยกับเขาไหมเมื่อเราคิดเบียดเบียนท่านผู้ใดเดี๋ยวเราก็ต้องไปประทุษรลายท่านคนนั้นใช่ไหมเช่นจะคิดไม่ดีกับเขาสักพักหนึ่งเราก็ต้องไปพูดถามว่าเราสร้างเราแล้วเขาจะปลอดภัยไหมเราไปพูดประทุษร้ายเขาเขาก็ไม่ปลอดภัยตลอดเวลาก็ทําตนเองเป็นผู้มีภัยตลอดเลย เข้าใจคำว่าศีลไมีมยังศีลจริงๆก็คือการทําตนเองให้ปลอดภัยนะทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะคุ้มครองกําจัดภัยให้กษัตริย์ทั้งหลายได้ก็ต่อเมื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัยอ้าดูนะว่าเข้าถึงก็เข้ายัางไงเข้าถึงพระรัตนตรัยก็คือการ เข้าถึงตัวกุศลศีลที่มีตัวกุศลศีลมาเกิดขึ้นในใจแล้วก็ควบคุมกายควบคุมวาจาได้จริงไม่ใช่ควบคุมแบบคุมนักโทษด้วยนะควบคุมในลักษณะที่สภาพจิตที่ผ่องใสเบิกบานชื่นบานแล้วเ อ, อิบอิ่มอย่างนี้เ็าเรียกเข้าถึงพรรัตนตายจไหมทีนี้ถ้าสภาพจิตของเราไม่เชื่อมัน่น ไม่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยการเชื่อมั่นในกุศลศีลจะมีไหมถามว่าเราเชื่อมั่นไหมว่าตัวกุศลศีลจะทำให้เราปลอดภัยได้เชื่อมั่นไหมเอาดูอย่างนี้ทำไมเราจึงเดือดร้อนทรัพย์ในปัจจุบันเพราะนิจทานเนี่ยในอดีตมีกาลังต่า เราก็ต้องมาเดือดร้อนต้องมาเดือดร้อนหาทรัพย์ทั้งชาติเนี่ยถึงไหมนิจจะทา น, นกุศลในอดีตอดีตพบก่อนด้วยอดีตปัจจุบันด้วยต่ําเพราะเราเข้าใจทานต่ําทําไมเราต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับกระแสชีวิตที่จะต้องมีการพัดคากแตกแยกถูกประทุสร้ายถูกเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆเพราะนิจจะศีลมีกําลังต่ําไม่ใช่ไม่มีนะมันมีกําลังน้อย ทำไมชีวิตเราเกิดมาเราถูกประทุสร้ายตั้งแต่เด็กถูกบังคับตั้งแต่เด็กเพราะท่อนนิดเ จ, จ็บเสนี่มันต่ำทำไมเราต้องจนตั้งแต่เด็กลำบากตั้งแต่เด็กเพราะนิด จ, จะทานเนี่ยมันตำ่ำมันก็ทำให้เดือดร้อนในการแสวงหาทรัพย์กว่าจะได้มีโอกาสเข้าถึงพระราชนาฏใใจเท็บขาดลมให้ใจจะขาดเนี่ยเพราะความเพราะความมันอ่อนแอ แล้วทำไมปัญญาในการที่จะทะลุทะลวงพระคำสอนพระเจ้าทำไมไม่ถึงเพราะปัญญากุศลที่ทำไว้ในอดีตมีกำลังตามทำไมจิตของเราจึงไม่ตั้งมั่นเพราะฉันทะไม่มีกำลังวิริยะไม่มีกำลังจิตตาคือจิตที่จดจ่อไม่มีกำลังปัญญานี่ยไม่มีกำลังจิตเราก็จะวอกแวกตลอดเวลาเลยอยนี้ ฟังเรื่องอะไรใจก็ไม่ตั้งมั่นในเรื่องนั้นมันจะไปเรื่องอื่นด้วยฉะนั้นจึงต่างๆเหล่านี้ต้องกระตุต้นให้เกิดตลอดเวลานะ น, นี่เขาเรียกปฏิบัติธรรมเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงเพราะสามารถให้ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์พระธรรมเป็นสารณะเป็นเครื่องกําจัดภัยเป็นได้จริง เพราะพระธรรมนั้นทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากการดั น, ดานถามว่าตอนนี้เราเดินตามพุทธโอวาทเดินตามพระธรรมได้หรื อ, อยังก็คือต้องดูว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นกุศลได้จริงหรื อ, อยังถ้าสภาพจิตไม่เป็นกุศลได้จริงนะตอนนั้นน่ะอะไรคือพระธรรม เพราะกุศลธรรมทั้งหลายต้องเกิดแล้วที่ธรรมะย่อมรักษาผู้บุพพธรรมเนี่ยก็แปลว่าการงดเว้นจากการฆ่าจะรักษากระแสชีวิตให้เราเป็นผู้มีอายุยืนยาวและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมหรือความคิดในกรณีที่เรามีการ สละและมีการให้และไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของใครเป็นต้นจะทําให้กระแสชีวิตของเรานั้นน่ะมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์ความคิดในกรณีที่เราไม่คิดภาคคู่คร อ, องของใครและมีการส่งเสริมให้เขาอยู่กับคู่ครองได้มีด้วยความสุขและความเจริญจะเป็นเหตุให้กระแสชีวิตของเรานั้นะเป็นผู้ไม่แตกแยกในคู่ครองและในบุตรภรรยา ถามว่าในขณะที่กระแสความคิดของเราที่เป็นไปกับการงดเว้นจากบาปอกษษษษอุิแลธรรมารามกตัวพัฒมก็จะรักษากระแสชีวิตของเราให้ยืนยาวได้จริง น, นีไงเพราะธรรมคุ้มครองทำให้เราพ้นจากอันตรายได้พ้นจากกันดานได้ที่สุดจริงๆ จ, จะสามารถพ้นจากกันดานคือพบชาติเดทีนี้ให้สังเกตดูว่าเมื่อ สภาพจิตใจของเราเนี่ยเช่นว่ายอมเคยคิดเบียดเบียนคนอื่นไหมเช่นมีคนขับรถผ่านพุ๊บไปตายจะไปเคยคิดไหมเคยไหมไอ้นี้ขับรถเร็วออกไปตายจะไปเคคิดแบบนี้ไหมเช็นไหมลักษณะนี้เขาเรียกคิดเบียดเบียนเขาหรือมีใครพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือพูดเสียงดังเป็นต้นไอ้นี้เดี๋ยวเค้ยเดีจัดการเนี่ย นี่คิดเบียดเบียนเขาแล้วนะทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้พูดออกมาเนะี่ยไอความคิดนี่มันไปแล้วหรือในขณะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยเราเห็นคนอื่นตั้งใจฟังคนนึงอีกคนหนึ่งไม่ตั้งใจฟังแล้วไปโกรธเขาเนี่ยนี่คนคนนี้มาอบรมกับเขาทําไมทําไมไม่นั่งไม่ตั้งใจฟังเลยเคยคิดเบียดเบียนเขาแบบนี้ไหมฉะนั้นความคิดในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นความคิดที่เบียดเบียนอันนี้จแสดงว่าใจนี่หลุดออกจากพระธรรม คำว่าพระธรรมนั้นจะคุ้มครองป้องกันนี่นะทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากพ้นจากกันดานคือพบ พ, พ้นจากภัยทั้งหลายเป็นต้นในใบยภูมิเป็นภัยไหมถามว่าเอานี้ถ้าเกิดมาในปัจจุบานาพพันน่ะภพถ้าเราเป็นคนพิการบ้าใบาบอดหนวกถือว่าเป็นอันตรายไหมจะเป็นอบายอย่างหนึ่งไหมเป็นอบายอย่างหนึ่งนะเกิดมายากจนเน่ะ ยากจนไม่มีทรัพย์เลยเนี่ยต้องลำบากลําบนอันนี้เป็นอบายอย่างหนึ่งไหมก็เป็นอบายเกิดมาพิกลพิการบ้าใบาบวดหนวกก็จัดว่าเป็นอบายอย่างหนึ่งนะถามว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทําไมพระธรรมจึงไม่รับไม่คุ้มครองเขาเพราะเขาไม่ปฏิบัติธรรมไงเพราะเขาไม่ประพฤติธรรมไงเขาถึงต้องเดือดร้อน ฉะนั้นพระธรรมไม่ได้คุ้มครองกระแสะชีวิตของเขาให้ได้รับความสุขความสบายหรือความสะดวกอะไรเลยเขาต้องเดือดร้อนเพราะทรัพย์ตลอดชาติต้องเดือดร้อนเพราะการดูแลกระแสะชีวิตตลอดชาติต้องเดือดร้อนเพราะความงู้เขาไม่มีปัญญาตลอดชาติเ พ, าเพราะอะไรเพราะเพรอะไรเพราะเขาไม่ประพฤติธรรมไอ้คาประพฤติธรรมคือใจเขาไม่อยู่กับพระธรรมใจเขาไม่เป็นไปกับเมตตาความรักความปรารถนาดีเอื้อทอน ใจเขาไม่อยู่กับกรุณาคือความสงสารที่จะช่วยสัสตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ใจเขาไม่อยู่กับมุทิตาไม่รู้สึกพอ ย, ยินดีกับบุคคลอื่นได้แม้ศัตรูก็พอ ย, ยินดีไม่ไม่สามารถจะคิดดีคนอื่นได้ใจของเขาไม่อยู่กับอุเบกขาคือการวางใจให้สมดุลให้สม่ำเสมอกับสัสตว์ทั้งหลายทุกประเภทโดยสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นของของทนเห็นไหมว่าสภาพจิตที่เป็นไปกับการขาดคําสอนขาดพระธรรม ถ้าทำจะรักษาเขาได้นะรักษาไม่ได้ส่วนสังฆานี่นะพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดภัยเพราะอะไรรู้ไหยเรานำเครื่องส ก, กาละเนี่ยเนี่ยน้อยนิดเนี่ยตรงนี้ไปบูชาก็มีผลมากมีอ จ, จิสงมากเราไม่เคยรู้เลยนะว่าผลมันจะเกิดยังไงเอานี้นะว่าถ้าโยมเอาของชิ้นนี้ มขาไปเท่าอหรไอ้ตัวนี้เป็นเขาเรียกวัตถุทานใช่ไหมนี่นะวัตถุทานนะลองดูนะว่าเราก็เคยให้กันมาทั้งนั้นนะแล้วลองดูที่สภาพจิตใจเราเนี่ยมันเป็นทานกุศลจริงไหมช่วงน้ําท่วมเราก็เห็นคนไปแจกกันเต็มมือบางคนเครียดมากบางคนถึงขนาดยิงเจ้านายตายเลยนะถูกคําสั่งว่าจะต้องไปคอยแจกของตลอดไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเนี่ย ยอมคิดว่ามันเป็นบุญไหมที่เขาแจกออกกําลังแจกขนาดนั้นนะกลุ่มทหารตำรวจกลุ่มภาคประชาชนทั้งหลายถูกคําสั่งบังคับให้ไปช่วยแบกกระสอบซ้ายกระสอบปูนเะนี่ยเครียดวิตกกังวลยอมคิดว่าเขาเป็นทานกุศลไหมเป็นศีลกุศลไหมเห็นไหมทานกุศลกับศีลกุศลมันไม่ใช่แค่กิจกรรมในการยกของให้คนแล้วก็ยังไม่รู้ตัวกันอีกว่ามันไม่ใช่ ว่าสภาพของทานกุศลเนี่ยไม่ได้ขับเน้นแค่ตัววัตถุอย่างเดียวนะว่าเราไปเจอในธรรมบทเจอในชั้นคําสอนว่ามีอุบาสิกา ท, ท่านหนึ่งถือดอกบวัวขมเพื่อเยยพระปไว่าพระเจดีในระหว่างทางเจอเมเปโควิดจนตายแล้วได้สุคติเป็นไปในพวพหน้าเราฟังแล้วเราหูเป็นไปได้ยังไงเพราะเราไม่รู้จักสภาพจิตใจขอ ง, ขอ ง, ข, องของท่านผู้นั้นไง เราไม่รู้หรอกสภาพจิตใจที่มีฉันท่าที่มีความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าสมาธิก็ตั้งมั่นไม่อะไรกายและชีวิตน้อมจิตในการเดินไปเนี่ยกายกรรมที่เดินไปเป็นทานกุศลอย่างไรที่จะถือดอกบวกผมไปถวายเป็นพุทธบูชาวัาจีกรรมก็สารเสริญพุทธคุณว่าอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาเจารณะเป็นเป็นไปเพื่อจะไปนอบน้อมเนี่ยวัจีกรรมบอกข้าพเจ้าได้ไปถวายเครื่องสการะ แต่พระบรมศาสดาผู้มีพระคุณนันยิ่งใหญ่เป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะที่ท่านภาลนาไปอย่างนั้นตลอดแน้มโนกรรมของท่านก็คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเราจะต้องไปให้ถึงในการที่จะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้อุปสรรคใดๆมาขัดขวางข้าพเจ้าก็จะไม่หวั่นไหวต่อให้มีไฟขวางอยู่ตรงหน้ามีเหวขวางอยู่ตรงหน้าตลอดถึงมีอุปสรรคอันตรายขวางอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าก็จะมุ่งมั่น ไปไหว้พระบรมศาสดาไปถวายเครื่องสักการะกายกรรมวิญญากรรมโมนโกรรมที่เป็นทานกุศลอย่างตั้งมั่นอย่างนั้นเราไม่เข้าใจไงว่ามีจริงเนี่ยเทนสภาพจิตที่เป็นไปกับการให้กับการสละากับการนอบน้อมที่มีกําลังอย่างรุนแรงตัวนี้เป็นทานแท้เป็นทานกุศลแท้อันนี้เป็นทานโดยอ้อมเนี่ยตัววัตถุเนี่ยเป็นทานโดยอ้อมไม่ได้ย่ยตรง โดยคิดโดยแท้ก็คือเจตนาที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและมีกําลังเกิดอย่างมากมายเกิดอย่างมากมายไม่ใช่เกิดแค่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จบกิจกรรมไม่ใช่เลยเกิดอย่างมากมายตาลบร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งหลายล้านครั้งตาลบตั้งมั่นไม่หวันหวห่นไหวเหนไหอันนี้เป็นของโดยอ้อมไปแล้วแต่เนี้ย ไอ้โดยตรงกลายเป็นอะไรสภาพจิตที่มันไม่มีโทษอนัวชาจิตที่ไม่มีโทษเกิดขึ้นจิตคุณภาพจิตที่ดีจิตที่ไม่มีโรคคือราคาโทสามโมห ก, กุ้มรุมจิตที่ปราศจากของเสีย ไม่มีความเศร้าหมองในนั้นเลยมีแต่ค ว, วามผ่องใสมีแต่ค ว, วามศรัทธาเชื่อมั่นมีความเพียรพยายามประคับประคอง ม, มีสติระลึกอย่างมั่นคงและสมาธิก็คอยตั้งมั่นในคุณของพระเด้ยวด้วยแล้วก็ปัญญาก็เห็นคุณของพระศาสด า, าถือเครื่องสักการะไปบูชาถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมถึงแม้วัตถุเนี่ยนี่เขาเรียกปฏิบัติธรรมเคยเห็นกิจกรรมของ อุบาสกบาสิกาซึ่งเรีนพระอริยะเขาทํากิจกรรมไปนั่งกรรมาฐานกันไหมล่ะเขามีแต่กิจกรรมไปเดินทานกุศลกันยังไงให้ถูกเดินศีลกุศลอย่างไรให้ถู ก, ก, ก, ก, ถกแล้วเขาหลีกเล้นแล้วจะเจริญภาวนากุศลกันยังไงจะให้ถูกนะ